ต่อไปเป็นคาถาซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าสัพพีคาถาสัพพีนี้นิยมว่าเป็นภาษาไทยเช่นกันโดยไม่ว่าเปลี่ยนอักษรเป็นภาษามคตแต่มีลักษณะพิเศษเรียกว่าสังโยคคือคําที่มีตัวสะกดนั้นให้ออกเสียงอืมส่วนสระเสียงยาวก็ให้ว่ายาวเต็มเสียงสระเสียงสั้นก็ให้ว่าครึ่งเสียงดังต่อไปนี้คือ สัพพีติโยวิวัตชนตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตตวันตารโยสุขีทีขายุโกภววสัพพีติโยวิวัตชนตุสัพพะโร วินัศตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพะโรโควินัศตุมาเตภวัตตวันตราโย สุขีธีขายุโกภวาภิวาธนติลิลสันิจังวุธาปายิโนจัตตารโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลัง